เรากระทาอธิษฐานอย่างตั้งมั่นคือสมาทานในการประพฤติกุศลอย่างตั้งมั่นตามรักษาสัจจะวาจาถึงเมตตาบารมีแล้วจึงบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณอันสูงสุดเราเป็นผู้มีจิตเสมอในลาบและความเสื่อมลาบเรามีใจสม่ําเสมอกันว่าลาบกับเสื่อมลาบการได้กับการเสียมไม่ต่างกันลาบแปล ว, ว่าได้เสื่อมลาบแปล ว, ว่าเสีย ได้กับเสียใจของเราก็คิดว่าไม่ต่างกันเพราะมีได้ที่ไหนมันก็เสียก็ตามมาจากตรงนั้นนี่แหละบางท่าะนั้นก็บอกว่าเมื่อมีลาบกับเสื่อมลาบท่านบอกไม่ต่างกันท่านจิตเสมอในยศและความเสื่อมยศมีจิตเสมอกันในคาสรรเสริญและเนรทา ม, มีใจที่เสมอกันในสุขและทุกขในความนับถือและการดูหมิน ก็เพราะมีลาบนี่แหละมันจึงมีเสื่อมลาบถ้าไม่มีได้จะมีเสียเลยจะคิดว่าเสียใช่ไหมถ้าคําว่าเสียเนี่ยเมื่อไปเปรียบกับคําว่าได้ถ้ามีคําว่าลาบหรือได้ได้ได้ได้การได้ที่ใดให้รู้เท่าว่ามีเสียที่นั่นอย่างเช่นบ่อนงานขนาดนี้บอกมีได้มีได้แล้วใครเสียมันต้องมีคนเสียสักคนหนึงมีได้ที่ใดก็มีเสียที่นั่นมียศที่ใดก็เสื่อมยศที่นั่น่ะนะเขาบอกว่าเริ่มเสื่อมยศตั้งแต่เมื่อไหร่บอกเริ่มตั้งแต่มียศพอมียศเมื่อไหร่เสื่อมยศทันที นนเช่นมีพวกเสื่อมจากพวกนี้เริ่มเสื่อมตั้งแต่เมื่อไหรบอกตั้ ง, งมีเพื่อนอันนั้นมีเพื่อนวันใดแปลว่าเริ่มหมดเพื่อนตั้งแต่วันนั้นเพราะมันเป็นจุดเริ่มต้นของการหมดไงและในการนับถือกับการดูหมิน่นเพราะฉะนั้นถ้าได้รับคํานับถือเมื่อไรจําไว้เลยว่าจะถูกเหยียบย่ำจะถูกดูหมิน่นเริ่มตั้งแต่ได้รับคํานับถือเนี่ยนะเริ่มถูกเขานับถือเมื่อใดทําใจไว้เลยว่าจะเริ่มได้รับการดูหมิน่นเหยียบยามตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปวันไหน วันตั้งแต่คนเริ่มนับถือเขามันเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่ามีใจเสมอในสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดจึงบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณอันสูงสุดอันนี้เป็นข้อความประมาณหน้าเดียวเนี่ยจริยาปิดกอธิบายอยู่กี่หน้าอธิบายตั้งแต่หน้าอธิบายเต็มๆนะตั้งแต่หน้าเนี่ยห้าร้อยกว่าห้า้ยห้าสิกว่าไปจนถึงเกือบหน้าเจ็ดร้อยนี่ยนะ ก็อธิบายสองสมรอหน้าแต่ละบรรทัดเนี่ยมีค่ายิ่งกับทองคอําอีกนะก็คือเพราะว่า เ, เนื้อหาเนี่ยอธิบายทุกบรรทัดเนื้อหาดีที่สุดเนี่ยนะก็คือเราจะได้เข้าใจทราบซึ่งในพระปรปภจริยาคุณได้เท่านั้นทีนี้มาถึงข้อความสุดท้ายที่เป็นพุทธโอวาสพุทธโอวาสตอนท้ายของจริยาปิดกตอนพุทธโอวาสพุทธโอวาสเหล่านี้แบ่งออกเป็น สามคาถาใหญ่สามคาถาใหญ่ๆนี่นะคาถาที่หนึ่งท่านทั้งหลายจงเห็นความเกียรติคร้านโดยความเป็นภัยและเห็นการปรารบ<ล>ความเพียรโดยเป็นทางเกษมแล้วจงปรารบความเพียรเถิดนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอันนี้เป็นคาถาที่หนึ่งี่นะเป็นคาถาที่หนึ่งนะน่าคิดนะว่าท่านทั้งหลายจงเห็นความเกียรติคร้านโดยความเป็นภัย เห็นการปรารบความเพียรเนี่ยว่าเป็นความปลอดภัยความเกษมแปลว่าปลอดภัยแล้วจงปรารบความเพียรเถิดก็บอกเลยนะว่าความเกีียคราสเนี่ยเป็นทางผิดทางเลวทางชั่วเดือดร้อนอย่างเดียวน่ากลัวโดยส่วนเดียวปรารบความเพียรเถิดจะได้ประสบแต่ความสุขความเจริญเพราะฉะนั้นจงปรารบแต่ความเพียรจงเจริญแต่ความเพียรนี้เป็นคาสั่งสอนของ พระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งสั่งด้วยทั้งสอนด้วยคําว่าสั่งก็คือถ้าบอกว่าสั่งก็คือบอกว่าจงทําอย่างนี้ถ้าสอนก็อธิบายเหตุผลวา่าท่านจะต้องทําอย่างนี้ถ้าท่านไม่ทําอย่างนี้ท่านเสียหายดังต่อไปนี้หนึ่งสองสามสี่ก็กระจายอธิบายไปอย่างกว้างขวางแล้วก็ยกตัวอย่างต่างๆมาประกอบแล้วบอกถ้าท่านทําความเพียรแล้วจะได้รับอุปก า, การะคุณดังต่อไปนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ยกตัวอย่างทั้งหลายมาประกอบอธิบายว่า โกศชังพยโตทิสวาเห็นความเกียรติคร้าบโดยความเป็นภัยดังนี้เพื่อจะให้โอววาดอวาดเนี่ยนะอวาดและเป็นธรรมะบ่มวิมุตต์แก่เวนยสัตว์ให้แก่กลาก้าพันพูดเพื่อบ่มวิมุตต์นะบ่มวิมุตตนะ์วิมุตตแปล ว, ว่าธทำเป็นที่ตั้งแห่งความหลุดพ้นธรรมะที่เป็นเหตุแห่งความหลุดพ้นเครื่องบ่มให้ให้ได้หลุดพ้น ธรรมะเป็นเครื่องบ่มวิมุตตเนี่ยโดยปกติมีอะไรบ้างมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาทำเครื่องบ่มวิมุตต์ก็คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาหรืออินรี่ห้านั่นแหละเป็นเครื่องบ่มวิมุตต์เพื่อจะให้อวาดและเน้นแนวให้วิมุตตคือวิริยะเป็นต้นเนี่ยแก่กล้าด้วยธรรมที่เป็นเมตตาภาวนาปรารบความเพียรตามที่กล่าวมาแล้วด้วยอัปปมาทาวิหารธรรม พุทธการกะรำถึงความบริสุทธิ์และการบ่มมีมุตของตนกล่าวคือสัมมาสัมโพธิญาณให้แก่กล้าก็ในสมคาถาสุดท้ายเนี่ยนะเป็นทั้งคาถาที่ประรบถึงหลักการว่าพระองค์ปฏิบัติจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ทําอย่างไรเนีย่ยนะพระองค์ปฏิบัติเช่นใดจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์สั่ง ทั้งสั่งทั้งสอนมวลเวนยศัตว์ทั้งหลายทำอย่างไรจึงจะได้ตรัสรู้ทรรมเป็นที่พ้นทุกข์นะทวนว่าท่านทั้งหลายจงเห็นความเกียดครั้นโดยความเป็นภัยเห็นการปรารบความเพียนโดยเป็นทางกเกษมแล้วจงปรารบความเพียนเถิดนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านทั้งหลายจงเห็นความวิวาทโดยความเป็นภยัยและเห็นความไม่วิวาทโดย เป็นทางกเกษมแล้วจงกล่าววาจาอ่อนหวานให้เกิดความสมัครสมานกันเถิดนี้เป็นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านทั้งหลายจงเห็นความประมาทโดยความเป็นภัยและเห็นความไม่ประมาทโดยเป็นทางแห่งความกเกษมแล้วเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ประการเถิดนี้เป็นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอธิบายตามลําดับว่าพระองค์นั้นแสดงอ น, นิสงส์อ น, นิสงส์ อันนี้ส์ก็คือกําไรในการปรารบความเพียรด้วยการแสดงโทษในฝ่ายที่เป็นปฏิปักษ์เนี่ยนะอั น, นิี้ส์ของการทําบุญน่ยนะกับโทษของการไม่ทําบุญในหน้า670บทว่าโกัศชังพยโตทิสวาวิริยมพันเจเขมะโตเห็นความเกียรตคร้านว่ามันน่ากลัวเนี่ยนะเห็นความขี้เกียจว่ามันน่ากลัวแท้ๆของเราบอกว่าเห็นน่ากลัวเออเห็นความขี้เกียจมันสบายแท้เนี่ยนะ สบายจริงๆเลยไม่ทําอะไรเนี่ยมันดีจริงๆสนุกจริงๆเพลินมากนะหมายเขาว่าวันไหนที่ไม่ต้องทําบุญเนี่ยวันนั้นดีใจที่สุดเนี่ยนะใครคิดเหมือนกันนะวันไหนไม่ต้องเทศเออสบายเลยวันเนี้วันนี้สแสดงว่ามันเกิดอะไรขึ้นเงี้ยนะน่าคิดวันไหนไม่ต้องพูดธรรมะเออรูสึดีกันนล้วเนี่ยสบายเนี่ยนะก็แสแดงว่าเห็นความขี้เกียจเป็นความเป็นความสบายนะั่นก็เอาไม่เอาไหนนะนะไปเจริญกุศลอย่างอื่นเนี่ยนะอธิบายได้ เี่แต่ว่าคําว่าขี้เกียจในที่นี้หมายถึงว่าเห็นความขี้เกียจในการเจริญกุศลนะเห็นว่าปล่อยปละละเลยนะไม่ใช่ปล่อยวางนะปล่อยกุศลทุกชนิดปล่อยปละละเลยไม่สนใจในกุศลให้เห็นว่ามันน่ากลัวขนาดไหนเห็นว่าการไม่ทําบุญเนี่ยมันน่ากลัวขนาดไหนเนี่ยนะก็โดยพื้นฐานสามัญจะสำนึกจริงๆของเราต้องถามเองว่าเห็นว่าการไม่สร้างบุญเนี่ยมันน่ากลัวไหม เห็นการไม่ศ <my> <heaven> ึกษาพระธรรมคําสอนเนี graduate, religion, ่ยน่ากลัวไหมเห็นการไม่ปฏิบัติตามคําสอนเนี่ยน่ากลัวไหมเห็นโทษว่าไม่มีศรัทธานี่มันน่ากลัวไหมถ้าไม่ปราลบความเพียรนี่มันน่ากลัวไหมถ้าไม่มีสติสัมปชัญญะเนี่ยมันน่ากลัวไหมถ้าใจฟุ้งซ่านนี่น่ากลัวขนาดไหนถ้าไม่มีปัญญานี่มันน่ากลัวไหมพระพุทธเจ้าบอกว่าให้เห็นสิ่งเหล่านี้ว่ามันน่ากลัวเถอะเห็นว่าการไม่เจริญสัมมาปทานนี่มันน่ากลัว เห็นว่าไม่ละบาปไม่บำเพ็ญบุญไม่ระวังไม่ให้บาปมันไหลเข้ามาไม่เจริญภาวนาให้มันกว้างขวางลึกซึ้งยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยมันน่ากลัวแท้ให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันน่ากลัวแล้วพระองค์ก็ชักชวนในการปรารบความเพียรว่าอารัธวิริยาหทะเนี่ยนะ ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ปรารบความเพียรเถอในคาถานี้เป็นการแสดงโอวาทปาติโมกโดยย่อสัพาปาปัสสะการนังเนี่ยนะกุสลสสประสัมปทาสัจิตตประโยชนปานังเอตังบุธาณาซาสนังเนี่ยนะอนคาถ า, าแรกว่าอย่าทำบาปมการไม่ปรารบความเพียรการไม่ทำบุญนี่แหละเป็นการทำบาปแล้วอย่าทำอย่างนั้นเนี่ยนะ ก็ขณะใ ด, ดที่เราปล่อยใจไปกับบาปอากุศลนี่มันเป็นการทําบาปใช่ไหมเมื่อใดที่เราไม่ให้ใจท่องเที่ยวไปกับบุญไม่ให้ใจโคโจรไปตามแนวแห่งกุศลขนาดนั้นเราก็ปล่อยใจไปในบาปบอกว่าพระองค์บอกว่าอย่าทําบาปเลยนะอย่าไปทําบาปทํากรรมให้ตัวเองขนาดนั้นเนี่ยนะจริงเราก็ว่าเป็นเป็นอะไรนะใจเฮี้ยมโหดแท้เลยนะปล่อยให้ตัวเองทําบาปได้เนี่ยนะปล่อยให้ใจของตัวเองเป็นบาปอยู่ได้เสร็จแล้ ว, วก็บอกว่า คนอะไรมันโหดเทียมขนาดนั้นปล่อยให้ใจเป็นบาปเอาเป็นบาปเอาเมื่อเป็นบาปแล้วใครใครเดือดร้อนเอาก็ตัวเองนั่นแหละเดือดร้อนเนื้อตัวของตัวก็ไม่มี <c oughs> อืมอะไรจะขนาดนั้นคอยมันจริงเธอเนี่ยนะอัตราตัวตนมีที่ไหนอย่างงี้ยนะแหมมากไปมั้งวะเพราะฉะนั้นคําว่านี่ก็ให้สงสารตัวเองเถอว่าบุญบาปเนี่ยมันอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ใจของเราั้นถ้าเราปล่อยใจให้เป็นบาปเป็นอกุศล ปล่อยใจให้อยู่แต่กับทุกข์กับโทษเนี่ยมันน่ากลัวขนาดไหนเพรานพระองค์บอกว่ า, าการไม่ทําบาปทั้งปวงเพราะว่าถ้าทำแล้วมันเดือดร้อนเนี่ยนะมันมีแต่เหมือนกับว่าเราเอาผงผงพิษหยอดเข้าไปในตาเนี่ยถามว่าผงแม้แต่เล็กน้อยก็มี ม, มีอันตรายมีแต่ทุกข์มีแต่โทษฉันใดาบาปอากุศลธรรมทั้งหลายสิ่งเลวร้ายทั้งหลายก็ฉะ น, นั้นถ้าหยอดลงไปในใจเมื่อใดใจก็เศร้ามองและขุนมัวเช่นนั้นนั่นแล การเข้าถึงกุศลเนี่ยนะกุศลถึงจะเล็กถึงจะน้อยแต่ถ้าทําบ่อยๆขยายฐานให้มันกว้างขวางยิ่งเท่าใดก็มีประโยชน์เท่านั้นชําระ จ, จิตของตนให้ผ่องใสเนี่ยนะโดยอรหัตผลทั้งหมดนี้แหละเนี่ยนะการละบาปคือละสมุทัยศาสตร์การเข้าถึงมรรคอริยมรรคแล้วก็ทําจิตให้ผ่องใสก็คือการทําให้แจ้งก็แบ่งเป็นอะไรนะละสิ่งที่ควรล ะ, จะเจริญในสิ่งที่ควรจเจริญแล้วก็ทําให้แจ้งสิ่งที่ควรทําให้แจ้ง นี่แหละเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายหรือว่าการไม่ทำบาปเป็นศีลการทำกุศลให้ถึงพร้อมเป็นสมถะทำจิตของตนให้ผ่องใสเป็นวิปัสนาสศีลสมถะวิปัสนา this แหละเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย อันนี้แต่โดยพิสดารประกาศความสมบูรณ์แม้ทุกอย่างอาศัยธรรมะเนี่ยนะเขบอกว่าบุญกุศลการละบาปการบำเพ็ญบุ ญ, บ ญ, บญการเจริญคุณธรรมทั้งหมดที่พูดเนี่ยมันเกิดจากการตั้งความเพียรไว้ถูกต้องความเพียรชอบแปล ว, ว่าการตั้งความเพียรไว้ถูกต้องความเพียรที่ตั้งไว้ถูกต้องจะได้ละสิ่งที่ควรละคือละบาปทั้งปวงจะได้เจริญในสิ่งที่ควรเจริญคือเจริญกุศลทั้งปวงและ ทำจิตของตนให้ผ่องใสที่เป็นธรรมที่ควรทําให้แจ้งเพราะการตั้งความเพียรนี่แหละเพราะเป็นที่ตั้งแห่งคุณธรรมทุกชนิดในพระศาสนานี้ด้วยพระพุทธพจน์ทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นพระองค์จึงชักชวนในการปราลบความเพียรว่าการปรารบความเพียรเนี่ยเอตังพุทธานศาสนีเนี่ยนะก็คือ น, นี้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นอนุสาสนีอนุสาสนีนั่นแลปลว่าตามพร่ำเคยได้ยินคนพร่ำไหมฟังไหม พำแปลว่าพูดครั้งเดียวไม่ใช่พูดบ่อยๆพร่ำแล้วพร่ำอีกพูดแล้วพูดอีกเนี่ยนะก็เหมือนกับฝนตกเนี่ยตกแล้วตกอีกตกแล้วตกอีกนั่นแหละพืชทั้งหลายจะได้เจริญงอกงามฉันใดคําพร่ำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นเหมือนกับหยดน้ําฝนอมตะที่ราดลงอันนัให้พืชคือศรัทธาเป็นต้นเจริญงอกงามก็ฉันนั้นตกแล้วแล้วเล่าเล่าแล้วแล้วเล่าเล่าจะได้เจริญอธิบายโดยสังเขปว่า การปรารบความเพียรประกอบด้วยสัมมประธานนนะสัมมประธานก็คื อ, อระวังไม่ให้บาปไหลเข้ามาเพียรละบาปที่มันเกิดขึ้น ภาวนาธรรมกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นตามรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วก็คือการเจริญอธิศินนั่นแหละอธิศินที่ยังไม่เกิดก็ทําให้มันเกิดที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้ภัยบุญบริบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปทําอธิจิตที่ยังไม่เกิดก็ให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้บริบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปอธิปัญญาที่ยังไม่เกิดก็ให้เกิดที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปบาปอคุโสลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่ละก็ขอให้ละที่่ลลละะะะแแ้้้ววววก็รรรััังงไไมมมมใหหนซึาาาบเข เพราะฉะนั้นนี่แหละเรียกว่าการประกอบความเพียรเห็นความเกียรติคร้านว่ามันน่ากลัวเป็นภัยนี่แปลว่ามันน่ากลัวมากขี้เกียรติไม่ทํากุศลเนี่ยน่ากลัวขนาดไหนอย่างเช่นสมมติถ้าเราไม่มีก็เกิดมาในโลกนี่เราขี้เกียรติเรียนหนังสือเสอย่างเดียวจนอ่านหนังสือไม่ได้คุณสมบัติพิเศษประจําตัวคืออะไรอ่านหนังสือไม่ออกถามว่ามันน่าสงสารไหมยุคนี้น่าสงสารฉันใดความเกียรติคร้านก็เหมือนกันนี่แหละ ไอ้ความเกียดคร้านเนี่ยนะเป็นตัวขจัดเป็นตัวที่จัดแจงความพินาตสารพัดชนิดให้มันเกิดขึ้นความความพินาตทั้งหลายนี่เกิดจากความเกียดคร้านแนละ้วท่านบอกว่าเป็นรากเง่าแห่งความเศร้าหมองทั้งปวงเลยนะเป็นรากเง่าแห่งความเศร้าทั้งปวง เป็นรากเง่าแห่งความหม่นหมองทั้งปวงเลยนะถ้าใครอยากเศร้านะชีวิตภายภาคหน้าเศร้าแท้ดอกโศกจะเบ่งบานในใจน้ำตาจะเปริมแดงๆเศร้าใจเลือดท่วมหน้าท่วมตาเลยนะง่ายแบบไม่ต้องทำอะไรอย่าไปทำบุญนะใครให้ทานจงรีบปฏิเสธให้เร็วๆเลยนะรีบด่าเลยด่าคนให้ด่าคนรับเป็นต้นศีลก็ไม่รักษาฟังธรรมก็รีบอุดหูแล้วก็ตาหนิพูดถากทางไปไม่นาน นะจะเดือดร้อนอย่างที่ว่าแต่อันนี้เป็นเขาเรียกว่ายานะพูดพูดให้อย่านะไม่ใช่ให้ทําเพราะถ้าทําแล้วจะได้รับผลเช่นนั้นจะเดือดร้อนเช่นนั้นให้กลัวเถ่าว่าการไม่เจริญกุศลเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวนี่นะ น, น่ากลัวเพราะว่าอย่างชีวิตของเราทั้งหลายถ้าไม่เจริญกุศลให้เพียงพอ ไม่เจริญกุศลให้ดีแล้วถามว่าโอกาสจะเจริญกุศลมีอีกไหมถามตัวเองว่ายังมีโอกาสอีกไหมโอกาสที่จะให้ทานเนี่ยมีอีกไหมโอกาสที่จะรักษาศีลเนี่ยมีอีกไหมหรือไม่ใช่หลอกตัวเองเดี๋ยวข้างหน้าค่อยทําก็ได้อย่างเ้นเดี๋ยวแก่ๆ ก, ก่อนค่อยทําก็ได้นนะไม่รู้แค่ไหนก็ไม่ทราบมึบางคนนะ่ะนะเกษา ก, ก็งอกไปตั้งหลายเส้นแล้วก็บอกว่าคอยแก่ๆ ก, ก่อนแล้วค่อยทําย่างเง้นมันจะเอาปางตายเลยเนี่ยแค่อยคิดทำเนี่ยนะบอกว่าไปทําที่อื่นเถอะขอให้มันไกลๆเถอะคนคิดอย่างนี้ เพราะฉะนั้นการปรารรความเพียรที่เป็นปฏิบัติต่อความเกียดคร้านความปรารรความเพียร น, นี้ปลอดจากการ โ, โยคะภวะโยคะทิฏฐิโยคะและอวิชายโยคะการปรารรความเพียรให้ปลอดจากโยคะทั้งปวงนี่ให้เห็นทวันนี้เป็นทางแห่งความเกษมเกษมแปลว่าปลอดภัยการชักชวนชอบในการปรารรความเพียร น, นั้นว่าท่านทั้งหลาย จงปรารพความเพียรเธอเนี่ยนะพระองค์เนี่ยสั่งให้หลีกจากทางที่เลวร้ายแล้วก็แนะนำให้ประกอบอยู่ในธรรมที่ควรเจริญมันตรงนี้ก็เท่ากับพระองค์บอกว่ายกสรมบทยกวิริยะขึ้นมาอันเดียวก็เท่ากับยกอินสีหเข้ามาแล้วท่านทั้งหลายเนี่ยนะจงเห็นว่าความไม่มีศรัทธานี่มีภัยเห็นความเกียดคร้านี่มีภัยเห็นว่า การหลงลืมสติเนี่ยมีภัยเห็นว่าการฟุ้งซ่านเนี่ยมีภัยเห็นว่าอาวิชชาความไม่รอบรู้นี้มีภัยให้เห็นว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาคุณธรรมเหล่านี้ที่เจริญแล้วเนี่ยเป็นทางแห่งความปลอดภัยเนี่ยนะเห็นทางแห่งความปลอดภัยเธอเพราะฉะนั้นให้ปฏิบัติอยู่ในข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยเธอนี้เป็นคําสั่งและเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย เอตังบุ danaza สนังนี้เป็นอนุสาสดังนั้นแต่อนุาสา์ของพระพุทธเจ้าทั้งหลายหรืออนุสาสนีหรือว่ากิจของพระพุทธเจ้าก็คือการพร่ำสอนแก่สัตว์ทั้งหลายส่วนรายละเอียดอย่างอื่นอีกก็คงเป็นช่วงบ่าย